สัมผัสสยองเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับคุณเจี๊ยบได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่ประสบพบเจอมากับตัวเองซึ่งเรื่องแรกเกิดที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือไลอ่เกเรื่องก็เพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับ ที่แบ่งปันประสบการณ์ให้กับแฟนๆชาวสมัมผัสสยองได้รับฟังกันและหากท่านใดมีเรื่องราวประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญขนหัวลุกก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ทางอีเมลหรืออินบ็อกแฟนเพจสัมผัสสยองทางรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของคุณเจี๊ยบกันเลยดีกว่า ห้องเช่าหมายเลขสาเมื่อเจียบเรียนจบจากบ้านเกิดของตัวเองแล้วเธอก็ตัดสินใจเข้ามาหางานทำในจังหวัดเชียงใหม่วันหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาถึงเชียงใหม่เธอก็รีบไปหาห้องเช่าใกล้ๆกับที่ทำงานที่เธอเคยสมัครงานเอาไว้เธอเดินหาตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนเย็น ก็ยังไม่เจอห้องเช่าที่ถูกใจขณะที่เธอกำลังเดินหาห้องเช่าอยู่นั้นก็มีหญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงเข้ามาแนะนำห้องพักให้กับเธอเธอจึงตกลงเดินตามป้าเข้าไปดูห้องพักเมื่อเดินผ่านบ้านเจ้าของห้องเช่าไปก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่อีกหนึ่งหลังในบ้านนั้นมีห้องพักทั้งหมดห้าห้องซึ่งตอนนั้น มีคนเข้าไปพักแล้วสามห้องจึงเหลือห้องหมายเลขสมและสี่ที่ยังว่างอยู่เจียเ็นว่าตอนนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วอีกอย่างค่าเช่าห้องก็ถูกมาเธอจึงตัดสินใจเช่าห้องหมายเลขสามแล้วจ่ายเงินค่าเช่าไปเจ0ดร้อยบาทเธอขอบคุณปาที่แนะนำห้องเช่าราคาไม่แพงนี้ให้กับเธอ ป้าคนนั้นหันมายิ้มตอบแล้วเดินกลับไปหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปจัดของภายในห้องพอจัดของเสร็จก็คิดว่าจะนอนพักเอาแรงสักครูแล้วค่อยไปหาอะไรกินระหว่างที่เธอกำลังนอนหลับอยู่อยู่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากห้องข้างๆห้องนั้นเป็นห้องหมายเลขสี่ เธอพยายามข่มตานอนต่อแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเธอตกใจสะดุ n g ตื่นถึงสามครั้งในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวจึงตะโกนออกไปว่าจะทําเสียงอะไรดังนักหนาคนจะหลับจะนอนแล้วเสียงจากข้างห้องก็เงียบไปสักพักเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอเข้ามาดูห้องเช่าพร้อมกับป้าห้องหมายเลขสี่ ยังไม่มีคนเช่าอยู่เลยแต่ก็อาจจะมีคนเข้ามาเช่าในช่วงที่เธอนอนหลับก็เป็นได้เธอเริ่มหิวแล้วจึงลุกจากเตียงเพื่อไปอาบน้ำแล้วจึงเดินออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารใกล้ๆที่พักหลังจากทานอาหารเสร็จเธอก็เห็นว่ายังไม่ดึกมากจึงเดินไปซื้อขนมต่อและเดินเล่นแถวนั้นอีกสักพัก ไม่เห็นว่าค่ำมากแล้วเธอจึงเดินกลับก่อนถึงห้องพักเธอก็ได้เจอกับป้าคนที่แนะนำห้องเช่าให้กับเธอจึงหยุดคุยทักทายหลังจะคุยกันอยู่ภาคหนึ่งป้าคนนั้นก็มอบล้าให้กับเธอแล้วบอกว่าหนูเอาล้านี่ไปใส่นะเอาติดตัวไว้ตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยาว อ, ออกจากตัวยกเว้นแค่ตอนอาบน้าเท่านั้นนะ เธอขอบคุณป้าแล้วรับพ้ามาด้วยความเกรงใจแต่ก็ยังนึกสงสัยว่าป้าจะให้พรากับเธอไว้ทำไมเจี๊ยบนำพ้าใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วคุยต่อไปอีกสักพักจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับเข้าไปในห้องพอกลับมาถึงห้องเธอก็โทรศัพท์คุยกับแม่แล้วนอนเล่นโทรศัพท์ต่อจนเห็นว่าดึกมากแล้ว เธอจึงปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้านอนไม่นานนักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องช่วยช่วยเสียงนั้นมันดังมาจากห้องหมายเลขสี่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะน้ำเสียงน่ากลัว <c oughs> <c oughs> กูบอกมึงแล้วใช่ไหมทำไมมึงไม่เชื่อฟัง จากนั้นก็ได้ยินเสียงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต, ต, ตกแตกกระจายเธอตกใจมากคิดว่าข้างห้องคงกำลังทะเลาะ ก, กันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายเธอเป็นห่วงฝ่ายหญิงจึงออกจากห้องเพื่อจะเข้าไปห้ามคนทั้งสองที่ทะเลาะ ก, กันอยู่เมื่อเธอไปยืนที่หน้าห้องพักหมายเลขสี่เธอก็ครอบประตูแล้วพูดว่ามีใครอยู่ไหมคะ แต่ปลากฏว่าไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเธอจึงตัดสินใจจับลูกบิดประตูแล้วลองบิดดูก็พบว่ามันสามารถเปิดเข้าไปได้เธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปอย่างช้ า, ชาๆก็เห็นว่าภายในห้องนั้นมืดมิด ทุกอย่างมันเงียบสนิทเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้องเลยตอนนั้นเธอเริ่มใจคอไม่ดีแล้วแต่ก็กลั้นใจเดินเข้าไปเพื่อจะเปิดไฟภายในห้องเมื่อเจี๊ยบเปิดไฟก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้องเลยสักพักประตูห้องก็ปิดกระแทกลงในทันที <S <S> <S เธอรีหันกลับไป พยายามที่จะเปิดประตูนั้นแต่ก็เปิดไม่ได้จึงร้องเรียกให้คนช่วยแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยเธอกลัวมากจนเริ่มร้องไห้แล้วสักพักเธอก็เห็นภาพเหตุการณ์เป็นเงารางๆภาพนั้นมันเป็นภาพของผู้ชายกำลังทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นพยายามร้องขอชีวิต แต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจลงมือฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมเขาตัดแขนตัดขาและศีรษะของผู้หญิงคนนั้นจากนั้นก็ปลิดชีวิตตัวเองตามไปร่างของผู้ชายคนนั้นล้มลงกระแทกพื้นและแน่นิ่งไปเลือดค่อยๆไหลซึอมหอมกมานองเต็มพื้นห้องไปหมดขณะที่เจี๊ยบกำลังตกตะลึง กับสิ่งที่เธอเห็นหยุดตรงหน้าเธอก็ต้องพบกับความสยองจนทำให้สั่นไปได้วยความกลัวเมื่อผู้ชายคนที่นอนแน่นิ่งไปนั้นเขาค่อยๆลุกขึ้นมายืนอยู่ในสภาพที่ร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเลือดสายตาของเขาจ้องเขมงมาที่เธอร้อยเลือดยดลงพื้นไหลนองเป็นสายจากนั้นเขาก็เดินตรงเข้ามา เธอตกใจมากร้องไห้พยายามร้องขอชีวิตทันใดนั้นเองก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีพระดิป้าคนนั้นได้ให้ไหวเธอจึงหยิบพระออกมาหลับตาแล้วยืนไปทางผู้ชายคนนั้นเมื่อเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมามองอีกครั้งก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นได้หายไปแล้วและประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆ วินาทีนั้นเองเธอไม่คิดอะไรแล้วรีบวิ่งออกจากห้องไปโอเจียบเริ่มตั้งสติได้ก็ไปหาป้าคนที่ให้สร้อยพระกับเธอไว้เพื่อจะเล่าเหตุการณ์สยองที่เพิ่งพบเจอมาให้ป้ารับรู้แต่เธอก็ไม่เจอป้าจึงเดินไปถามลุงที่ร้านขายอาหารตามสัง่งลุงๆเคยเห็นป้าตัวสูงสที่อยู่แถวบ้านเช่าตรงนั้นบ้างไหม ลุงทำท่านึกอยู่นานแต่ก็นึกไม่ออกเจี๊ยบจึงอธิบายลักษณะของป้าคนนั้นให้ลุงฟังลุงทำหน้าตกใจแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดรูปในนั้นให้เธอดูแล้วถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่าเธอมองดูรูปแล้วยืนยันว่าเป็นป้าคนที่เธอกาลังตามหาอยู่ลุงมองเธ อ, อยังแปลกใจแล้วก็บอกว่า หนูแน่ใจนะป้าคนนี้พึ่งโดนรถชนตายไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองพอเธอได้ฟังก็แทบสุดหัวใจเต้นแรงแล้วรีบถามลุงว่าแล้วห้องเบอร์สี่ที่เช่าอยู่ข้างๆห้องหนูล่ะมีอะไรแปลกๆบ้างไหมลุงเงียบไปสักพักแล้วก็บอกว่าห้องนั้นน่ะเคยมีสองผัวเมียมาเช่าอยู่ทะเลาะกันเกือบทุกวัน จนวันหนึ่งก็ทะเลาะ ก, กันรุนแรงมากผู้ชายลงมือฆ่าผู้หญิงแล้วหันเป็นชิ้นๆจากนั้นก็จบชีวิตตัวเองตามไปเรื่องที่ลุงเล่าเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่เธอได้เจอตอนที่เธอเข้าไปในห้องนั้นย่างไม่น่าเชื่อเธอนึกสงสารผู้หญิงที่โดนทำร้ายถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็สงสารป้าคนนั้นด้วยเช่นกัน เธอนึกขอบคุณป้าคนนั้นที่มอบพราให้กับเธอไว้หลังจากวันนั้นเธอก็พกพราติดตัวไว้โดยตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมป้าเขาถึงแนะนำห้องนี้ให้แล้วทำไมถึงได้ให้พระนั้นไว้กับเธอเด็กหญิงในแม่น้ำโขง เรื่องนี้เป็นข่าวดังที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองบ้านเกิดของเชียบอยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านของเธออยู่ใกล้กับแม่น้าโขงตอนเย็นๆ เ, เด็กในละแวกบ้านมักจะพากันไปเล่นน้ําเป็นประจำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางบ้านได้ส่งข่าวให้เธอได้รับรู้ถึงเหตุการณ์น่าเศร้าของเด็กในหมู่บ้านว่ามีเด็กสามคน ชวนกันไปเล่นน้ำในตอนเย็นขณะที่เด็กๆ เ, เล่นน้ำกันอยู่ผู้ใหญ่ที่อยู่บนฝั่งก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยกาลังเล่นน้ำอยู่กับเด็กๆ ก, กลุ่มนั้นซึ่งดูจากลักษณะแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่น่าจะใช่เด็กในหมู่บ้านผู้ใหญ่บนฝั่งจึงตะโกนให้เด็กๆขึ้นมาจากน้าแต่เด็กคนหนึ่งก็ตะโกนกลับไปว่ายังไม่ขึ้นมีคนชวนเล่นน้าอยู่ ทันใดนั่นเองเด็กทั้งสามคนก็จมน้ำไปพร้อมๆกันตอนนั้นกระแสน้ำทั้งเย็นและเชี่ยวกรามีเพียงเด็กสองคนที่ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดขึ้นมาจากน้ำได้แต่เด็กคนที่บอกว่ามีคนชวนเล่นน้ำกลับจมหายไปผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องก็มาช่วยกันหาเด็กที่จมน้ำแต่ก็หากันไม่เจอ วันรุ่งขึ้นก็มีทีมนักประดาน้ำมาช่วยกันดำน้ำหาแต่ก็ไม่พบจึงมีคนไปถามร่างทรงเมื่อร่างทรงทำพิธีก็บอกว่าเขาจะปล่อยน้องออกมาตอนสิบโมงของวันพรุ่งนี้แต่ทีมค้นหาก็ยังไม่ลักความพยายามยังคงช่วยกันหาน้องต่อไปแต่ก็ล้มเหลวจนเวลาร่วงเลยผ่านไปอีกหนึ่งวันคืนนั้น เพื่อนของเด็กที่จมน้ำได้ฝันว่าเพื่อนของเขามาบอกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเขายังอยู่ใต้ท้องเรือในวันถัดมาเด็กคนนั้นจึงไปบอกผู้ใหญ่ให้ไปหาแถวแวท่าเรือล้วเวลาประมาณสิบโมงก็มีคนพบร่างเด็กที่จมน้ำอยู่ใต้ท้องเรือจริงๆทางครอบครัวก็ได้นำร่างของเด็กไปทำพิธีตามาศาสนา จากนั้นไม่นานนากักก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเกือบจะจมน้ำแล้วเหมือนกันแต่เคราะดีที่มีผู้ใหญ่ช่วยไว้ได้ทันพอถามว่าทำไมถึงลงไปเล่นน้ำคนเดียวเด็กคนนั้นก็ตอบว่ามีเด็กอีกคนมาชวนให้ลงไปเล่นน้ำด้วยกันจากเหตุการณ์นี้เลยทำให้ครอบครัวที่มีเด็กต้องคอยระวังไม่ให้เด็กลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำโคงอยู่ภาคใหญ่ เพราะกลัวว่าจะมีวิญญาณเด็กที่จมน้ำตายมาชวนให้ลูกหลานลงไปเล่นน้ำแล้วก็ถูกทำให้จมน้ำไป สมภัสส